เสียงอ่านหนังสือเกมกรรมงานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยโจโฉขอบคุณคุณตองพีที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดเสียงเป็นโนมาประกอบเสียงอานนะครับเกมกรรมเกมที่แทบไม่มีใครรู้วิธีเล่นแต่ก็ต้องพยายามเล่นให้ชนะหยินหยาง สั ญ, ญลักษณ์ของเกมกรรมเกมแห่งการสร้างหลุมขาวดึงดูดสุขเพื่อสลับไปสร้างหลุมดําดึงดูดทุกข์ในกรรมขาวมีเชื้อของกรรมดำําในกรรมดำํามีเชื้อของกรรมขาวยิ่งทํากรรมขาวยิ่งได้ดีมีสุขยิ่งได้ดีมีสุขยิ่งเพลิดเพลินเหลืงหลงเชื้อความชั่วจึงค่อยๆปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งทำกรรมดายิ่งตกทุกข์ได้ยากยิ่งตกทุกข์ได้ยากยิ่งศรัทธาหาทางออกเชื่อความดีจึงค่อยๆฉายสว่างขึ้นทุกทีลูกเตา๋าสั ญ, ญลักษณ์ของผลแห่งกรรมเก่าเมื่อลูกเต่าเด้งกระดอนแต่ละครั้งจะง่ายหน้าซึ่งคาดเดาไม่ได้ออกมา แล้วมีผลบังคับกับตานี้ที่ต้องเดินเมื่อไม่รู้วิธีสังเกตใครๆก็คิดกันไปเรื่อยว่าลูกเต่าจะหงายหน้าออกมาอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพลังแห่งความบังเอิญซัดพาต่อเมื่อรู้วิธีสังเกตคุณจึงค่อยๆรู้ขึ้นมาว่าลูกเต่าจะหงายหน้าออกมาอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพลังแห่งกรรมเก่าบันดาลทั้งสิ้น ตัวหมักรุกสั ญ, ญลักษณ์ของเหตุคือกรรมใหม่ตัวหมักรุกสะท้อนวิธีคิดความจงใจเดินไปสู่เป้าหมายตามแผนจะตัดสินใจเลือกตาดีหรือตาร้ายก็ขึ้นอยู่กับความฉลาดของผู้เล่นเกมแต่ละคนเมื่อรู้แค่วิธีเดินแต่ไม่เข้าใจกติกาครอบคลุมใครๆก็คิดกันไปว่าอยากเดินอย่างไรก็เดิน เดินแล้วจะไม่มีผลอะไรตามมาต่อเมื่อเข้าใจกติกายอย่างครอบคลุมจึงอาจระหนักด้วยความระนกว่ายิ่งเดินมั่วเท่าไหร่ยิ่งไกลแพ้เท่านั้นวงกฎสั ญ, ญลักษณ์ของการหาทางออกจากเกมกรรมมีทางเข้าคือกองบุญกองบาปอันสร้างขึ้นด้วยความไม่รู้ มีทางออกคือการละบาปและการบําเพ็ญบุญอย่างถูกวิธีเมื่อไม่รู้ทางวงกฎก็ดูซับซ้อนเกินกว่าจะหาทางออกได้พบต่อเมื่อรู้ทางวงกฎจึงดูไม่ยากเกินหวังจะไปให้ถึงทางออกสิ้นสุดเกมแล้วไปไหนเงากรรมจะเป็นตัวชี้ คำนำจากฮาวฟาเกมกรรมเดิมมีชื่อว่ามีชีวิตที่คิดไม่ถึงซึ่งตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในช่วงต้นปีพุทธศักราช2549และปรับปรุงครั้งใหญ่ในกลางปีพุทธศักราช2555นหนังสือมีชีวิตที่คิดไม่ถึงเป็นที่รู้จักในฐานะงานอ่านง่ายอีกเล่มหนึ่งของคุณดังตรินโดยนำเรื่องเข้าใจยากอย่างกรรมวิบากมาทาให้เป็นภาพของเกม ซึ่งไม่มีใครรู้จริงว่าวิธีเล่นเป็นอย่างไรต่างคนจึงต่างมะงุมมงง า, าราหาทางเล่นหรือมุ่ง ม, มั่นเอาชนะด้วยความรู้ความสามารถที่อ่อนเชิงเล่นผิดเล่นถูกกันอย่างเหน็ดเหนื่อยและเหมือนจะไม่รู้จบรู้สิน้นอันเนื่องจากน้หาทั้งหมดกล่าวถึงเกมกรรมล้วนคนอ่านจึงจดจาและเรียกชื่อหนังสือมีชีวิตที่คิดไม่ถึงว่าเกมกรรมกันเป็นส่วนใหญ่ ในการปรับปรุงรูปเล่มครั้งสำคัญนี้สำนักพิมพ์ฮาวฟาตัดสินใจเปลี่ยนชื่อหนังสือใหม่ให้เข้ากับการจดจำของคนอ่านกับทั้งเพิ่มรูปประกอบให้เข้ากับบรรยากาศความเป็นเกมกรรมตลอดเล่มด้วยโดยคาดหวังว่าความน่าอ่านจะสร้างความสุขอย่างคิดไม่ถึงให้คุณรู้สึกได้ตั้งแต่ยังถือหนังสืออยู่ทีเดียวสำนักพิมพ์ฮาวฟา